วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25สิบห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านทั้งหลายสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเพื่อเป็นการเติมพลังเพิ่มกำลังให้แก่จิตใจที่จะได้ต่อสู้กับค่าศึกศัตรูที่มาคอยสร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่จิตใจอย่างต่อเนื่อง ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาต่างๆที่เป็นข้าศึกศัตรูของจิตใจและจิตใจยังเป็นที่จะต้องคอยกำจัดข้าศึกศัตรูเหล่านี้ให้หมดไปจากใจให้ได้ เพื่อใจจะได้อยู่อย่างสงบสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการที่ใจจะสามารถต่อสู้และกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจได้ น, นั้นใจจำเป็นจะต้องมีพลังมีกำลังถ้าเป็นใจที่อ่อนแอ ใจจะไม่สามารถสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธกับความหลงที่คอยมาบุกลุกมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆได้ดังนั้นใจจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าวัดเข้าหาธรรมะที่ จะเป็นเครื่องเสริมเครื่องสร้างพลังให้แก่จิตใจจิตใจนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี้จะสามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีปัญหารถยนต์ก็จำเป็นที่จะต้องแวะเข้าสถานีบริการอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าจะได้เข้าไปเติมสิ่งที่จะช่วยให้รถยนต์มีพลังมีการกำลังสามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ที่สถานีบริการก็มักจะเติมน้ำมันกันน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วบางทีก็ต้องเติมน้ำมันชนิดอื่นเวลาที่มัน พล่องลงไปเช่นน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์แล้วก็เติมน้ำไว้ใส่ในหม้อน้ำแล้วบางทียางแฟบก็ต้องเติมลมนี่คือสิ่งต่างๆที่จะทำให้รถยนต์ น, นี้มีพลังมีความสามารถที่จะขับเคลื่อน ไปไหนมาไหนได้ผู้ที่มีรถยนต์คงจะต้องยอมรับกันว่าจะไม่แวะเข้าสถานีบริการนี้ไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องคอยแวะอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาขับรถไปแล้วเดี๋ยวรถยนต์ก็ส่งสัญญาณบอกว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วน้ำมันครึ่งมีน้อยแล้วน้าในหม้อน้ำมีน้อยลงแล้ว จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเติมไม่เชนั้นแล้วเดี๋ยวรถยนต์ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ใจก็เหมือนกันใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจจะมีพลังมีความสามารถที่จะต่อสู้กับค่าศึกศัตรูที่คอยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการเติมพลังให้แก่จิตใจเติมกำลังให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยๆถ้าได้เติมกำลังได้เติมพลังให้แก่จิตใจแล้วจิตใจก็จะมีพลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกษัจรูคือกิเลสปัญหาความโลภความอยากต่างๆ สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหนงต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วพอกิเลสถูกทำลายลงไปใจก็จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ใจที่ปรากฏอยู่ในใจก็จะหายไปนี่แหละเป็นสิ่งที่จิตใจ ของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องการกันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะสร้างพลังให้แก่จิตใจเพื่อที่จะได้เอามากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะที่จะให้พลังกับจิตใจนี้ก็มีอยู่ห้าชนิดด้วยกัน หอย่างด้วยกันอย่างแรกก็เรียกว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่สองเรียกว่าวิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะข้อที่สาก็คือสติสติก็คือธรรมที่จะทําให้ หยุดกิเลสหยุ ด, ยดความโลภความโกรธความหลงได้แล้วก็ข้อที่สี่ก็คือสมาธิคือความนิ่งสงบของจิตที่เกิดจากการเจริญสตินี่เองเมื่อเจริญสติสติก็จะทำให้ใจนิ่งเป็นสมาธิพอใจนิ่งเป็นสมาธิกิเลสตัณหาความโลภความอยาก ก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็ข้อที่ห้าคือปัญญาความรู้ตามหลักความเป็นจริงความรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาความโลภความอยากต้องการอยากจะได้มานั้นไม่ได้เป็นความสุขเลยเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่กิเลสตัณหาหลอกให้ใจคิดว่าเป็นความสุขนั้นล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นล้วนเป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดแล้วเวลาที่ของที่เคยให้ที่ให้ความสุขกับใจนั้นเสื่อมไปหมดไปหรือเปลี่ยนไป ความสุขนั้นก็เสื่อมไปเปลี่ยนไปหมดไปพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเอามาคอยสอนใจอยู่เรื่อยเพื่อที่ใจจะได้ไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆที่มาคอยหลอกล่อใจให้ไปคิดว่า เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับใจถึงแม้จะเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรพอความสุขที่ได้มาหมดไปใจก็จะเศร้าใจก็จะเหงาใจก็จะรู้สึกว่าเหวรู้สึกเศร้าเศร้ยเหงาขึ้นมานี่คือธรรมะห้าข้อด้วยกัน ที่จิตใจต้องการเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องการน้ํามันชนิดต่างๆต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซนหรือเบนซินต้องการน้ํามันเครื่องต้องการน้ํามันคลัชน้ํามันเบรกต้องการน้ำไว้สําหรับระบายความร้อนและต้องการลมไว้ใส่ให้กับยางล้อรถยนต์ เพื่อจะได้วิ่งไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวใจก็เช่นเดียวกันถ้าใจมีธรรมะน้อยใจก็จะมีกำลังน้อยถ้าอยากจะให้ใจมีกำลังมากมีความสามารถมากในการต่อสู้กำจัดข้าศึกศัตรูคือกิเลสตังหาต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จำเป็นที่จะต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามากๆธรรมะห้าข้อนี้เป็นธรรมะที่ต้องสร้างขึ้นมาในใจไม่ใช่เป็นธรรมะที่เราอ่านในหนังสือแล้วเอามาจดจาเพียงอย่างเดียว<ม>การอ่านหนังสือธรรมะแล้วจดจาธรรมะนี้ยังไม่ได้เป็นการเติมธรรมะเข้าสู่ใจ เป็นเพียงแต่จำชื่อของธรรมะเท่านั้นเองว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะอะไรบ้างเช่นเราต้องมีศรัทธามีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียงปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยมีสมาธิใจที่นิ่งสงบ แล้วก็มีปัญญาใจที่รู้ทันความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขการได้จดจำธรรมะห้าข้อนี้ยังไม่ได้หมายความว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราเหมือนกับการที่เรารู้ว่ารถยนต์เราต้องการน้ํามันเชื้อเพลิมชนิดไหนเช่นต้องการ เบนซินหรือดีเซลหรือแก๊สโซโฮอต้องการน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องต้องการเติมน้ำเติมลมแต่เพียงแต่การรู้สิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้ทําให้รถยนต์ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้รถยนต์จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นเมื่อเราต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาเติมให้กับรถยนต์นการที่เราศึกษาเราได้ยินได้ฟังทำ ว่าวิธีการสร้างพลังให้กับจิตใจนี้จาเป็นที่จะต้องมีธรรมะห้าข้อนี้ต้องมีศรัทธาความเชื่อมีวิรยิยะความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติมีสติมีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติมีความขยันหมั่นเพียรในการนั่งสมาธิแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญปัญญา พิจนาปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยเพื่อให้เห็นความจริงเพื่อจะได้ไม่หลงไปตามอำนาจของโลหะอวิชชาที่มองกับตาลปัดมองเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตน อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัญญามาแก้ไขมากาจัดการที่เราจะมีธรรมะคุณธรรมห้าข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างคุณธรมมณธรมข้อที่หนึ่งขึ้นมาก่อนคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือศรัทธานี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีการศึกษาคำสั่งคำสอนไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนั่นเองถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมะที่พระุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญให้สร้างขึ้นมาในใจก็จะไม่ปรากฏแล้วเมื่อถ้าไม่มีธรรมะเช่นไม่มีสติไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญาใจก็จะไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้และกําจัดข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ายังมีความโลภความอยากอยู่ในใจความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดซึ่งไปจากใจความทุกข์ก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆ ต่อให้เราไปหาความสุขอะไรต่างๆความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงจินลดผดพพะหามามากน้อยเท่าไหร่ก็ตา่างความสุขเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะไปกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆได้ อาจจะไประ ง, งับหรือไปกลบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเช่นเวลาเรามีความทุกข์ใจมีความเหงาอยู่บ้านคนเดียวเหงาเราก็โทรตัดไปหาเพื่อนชวนเพื่อนออกไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปทําอะไรกันช่วงนั้นความเศร้าความเหงาที่อยู่ในบ้านอยู่ในใจก็หายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาบ้านใหม่ ความเหงาหรือความเศร้าก็กลับคืนมาต่อไปจะให้ทำกี่รอบกี่พันรอบกี่ล้านรอบก็ตามจะให้ไปเที่ยวที่ไหนกี่ครั้งกี่กี่คราวก็ตามจะให้ไปที่ไหนไปทั่วโลกไปทุกประเทศทุกแห่งทุกคนไปแล้วมันก็เพลิดเพลินชั่วคราว ให้ความสุขชั่วคราวพอกลับมาบ้านก็เดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปหายไปพอหมดไปความเศร้าความเหงาก็กลับคืนมาอีกความทุกข์ของใจนี่มันไม่หมดไปเพราะว่าความอยากต่างๆมันไม่หมดไปจากการที่เราได้ไปทําตามความอยากต่างๆ แทนที่ความอยากจะหมดเช่นอยากไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วเที่ยวให้อิ่มให้พอเลยเที่ยวให้เบื่อเลยพอเบื่อก็กลับมาหยุดเที่ยวสักพักหนึ่งพอหยุดเที่ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวความเบื่อก็กลับมาใหม่พอหายเบื่อแล้วความอยากก็กลับมาใหม่ความอยากมันไม่มีวันหมดไปด้วยการทำตามความอยาก เให้ทาความอยากมากน้อยเพียงไรก็ตามได้ความสุขจากการทำความอยากมามากน้อยเพียงไรก็ตามเดี๋ยวมันก็หมดไปความสุขหมดไปความอยากใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกเพราะยังอยากจะมีความสุขอีกนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้แก้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ วิธีแก้ความทุกข์ที่มีในใจนี้ต้องหยุดความอยากให้ได้ต้องไม่ทําตามความอยากนั้นถ้าเราไม่ทําตามความอยากได้ความอยากมันจะอ่อนกําลังลงไปและทุกครั้งที่มันอยากเราก็ฝืนมันอยาาเราอย่าไปทํามันถ้ามันอยากหาความสุขจากษษษษษษษษรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อมาดับความทุกข์ใจ ถ้าเรามีปัญญาก็สอนใจว่าไม่ใช่วิธีดับความทุกใจวิธีดับความทุกใจต้องดับด้วยการหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้ต้องใช้สติสมาธิและปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้ถ้าใช้เพียงสติกับสมาธิก็จะหยุดได้ชั่อกาวถ้าใช้ปัญญาด้วย ใช้สติใช้สมาธิและปัญญาด้วยก็จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรเพราะความอยากความโลภได้รับการกำจัดด้วยการหยุดมันด้วยการไม่กระทาตามมันแนละ้วมันก็จะหมดกำลังมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมามาคอยสร้างความเศร้าสร้างความเหงาสร้างความหิวให้กับใจต่อไปอันนี้ คือวิธีการที่เราจะใช้ในการที่เราจะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราจำเป็นที่จะต้องไปดับที่เหตุของความทุกข์ใจเหตุของความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะนี่อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากนมกลิ่น อยากไปนู่นอยากมานี่อยากจะอยู่ใกล้กับคนนั้นอยู่ใกล้กับคนนี้อันนี้เรียกว่าความอยากในกามคุณห้าเรียกว่ากามตัณหาความอยากอีกอย่างหนึ่งก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ช่วงนี้เริ่มมีสิ่งมาล่อความอยากอยาก มีอะไรมาล่อก็มีตำแหน่งต่างๆมาล่อนะตำแหน่งก็คือสอสอเอยนัดธมนตีเอยนายกเอยตอนนี้พวกที่มีความอยากก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องออกมาเต้นแรงเต้นกากันนะต้องออกมาร้องมาโฆษณามาอวดคุณวิเศษของตนเอง<ม>เพื่อที่จะได้ถูกเลือกให้ ไปเป็นสสแล้วได้เป็นสสแล้วก็จะได้เลือกให้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายงรัฐมนตรีพอได้เป็นแล้วก็มีอำนาจมีมีเงินมีทองเมื่อมีอำนาจก็สามารถใช้อำนาจว่านเนาเงินทองใส่กระเป๋าตัวเองได้แต่ให้ได้มามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็หมดลง โดยคบเวลาสี่ปีก็ต้องเลือกกันใหม่พวกที่เลือกแล้วไม่ได้สมัครแล้วไม่ได้รับเลือกก็เสียดายเสียใจไปพวกที่ได้ก็ดีใจไปอันนี้เกี่ยวกความอยากอยากที่จะหาอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ แต่ถ้าไม่มีความอยากเป็นก็ไม่ต้องมาวุ่นวายใครอยเป็นสอสอเป็นอะไรแล้วไม่เป็นทุกอย่างล้วก็อยู่เฉยๆกันเราไปสบายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินเสียทองอยู่เฉยๆสบายแต่อยู่กันไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาอยากมีอยากเป็นนอกจากสอสอจากอะไรนัน้ก็ยังมีงานประกวดต่างๆเห็นไหมอย่าง ได้รา ง, งวัลนู้นรางวัลนี้อยากได้เป็นเทปีเวทีนั้นเวทีนี้อันนี้ก็เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นเวลาเกิดแล้ ว, ว, ลวใจต้องดิ้นใจอยู่เฉยๆไม่ได้ใจต้องดิ้นรนแล้วก็การดิ้นรนนี้ก็สแสดงว่าอยู่ไม่เป็นสุขเลยอยู่เฉยๆไม่ได้ แล้วความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่เป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันอยากไม่เป็นขอทานอยากไม่ล้มละลายอยากไม่ยากจนอยากไม่ติดทุกข์ติดตารางหรืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ทำอย่างเหล่านี้มันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจนี่แหละคือข้าศึกศัตรูของใจที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่จะสร้างแต่ภพนี้ชาตินี้เท่านั้นถ้ายังไม่ได้กําจัดมันเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่มีความอยากยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจที่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็ยังไปดิ้นต่อไปในภพหน้าชาติหน้าไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วพอได้เกิดมาออกมาจากท้องพ่อแม่ก็เริ่มดิ้นลนอยากได้นู่นอยากได้นี่ต่อไป ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ like mm ้นการที hmm. mm ่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจำนวนของพวกเจ้าที่เรามาเกิดนี้มันมากจนนับด้วยตัวเลขไม่ได้แต่สามารถประมาณได้จากน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิด ขาไม่มีใครปฏิเสธว่าเกิดมาแล้วนี้จะไม่เคยร้องห่มร้องไห้กันความทุกข์คนที่ร้องไห้ก็เพราะว่าเป็นความทุกข์กันทุกเพราะเกิดความพัดผจากกันทุกเพราะเกิดจากการที่ไปได้สิ่งที่ไม่ต้องการกันทุกที่เกิดจากการเจ็บปวดทรมานของร่างกาย ความทุกแบบลนี้ถ้าเราเอามาน้ําตาที่เราหลั่งด้วยความทุกข์เหล่านี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องเกิดมาร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งด้วยกันถึงจะมีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร นั่นแหละคือจํานวนของตายที่เราเวียนว่ายกายเกิดกันอยู่ในขณะนี้และเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัณหาความอยากสามตัวนี้นั่นเองตามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัวเหล่านี้ที่เป็นท้าศึกษาตัูตัวที่พาให้จิตใจเรานี้ ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปแบบชุบเกิดที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างโชคโชนวยและจะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงด้วยการที่จะสิ้นสุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์อย่างพวกเรานี้ ภพนี้ชาตินี้ถือว่าเป็นภพชาติที่วิเศษเป็นลาภอันตระเสริฐเพราะเราได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้เจออง์แทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนหรือพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้คือสามารถสอนวิธีให้พวกเราได้กาจัดความอยากที่เป็นตัวพาให้พวกเรามาวิ่นวายตายเกิดกันนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะเมื่อเรามาเกิดแล้วมาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว สิ่งแรกที่เราควรที่จะทำกันก็คือสร้างศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนแรกที่ได้ค้นพบวิธีกำจัดความอยากต่างๆวิธีกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆวิธีที่จะหยุดการ เวียน่ายตายเกิดแบบไม่มีวันขึ้นสุดลงได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่มีความสามารถมีความฉลาดที่จะค้นพบวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้ยุติการเวียน่ายตายเกิดได้มีองค์เดียวเท่านั้น นานๆจะมาผลกขึ้นในในปลาภพในภพของมนุษย์สักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่จะมาแบบง่ายๆและไวๆพระมุจะเจ้าแต่และพระองค์จะมาเกิดนี้ต้องใช้เวลาเป็นหลายร้อยกับด้วยกันหลายหมื่นแสนกับกับหนึ่งก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านปีกี่แสนล้านปีนานมากนานจนกระทั่งนับนับ นับด้วยตัวเลขไม่ได้อันนี้แหละเป็นการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแล้วถ้าสัตว์โลกใดเกิดมามีจังหวะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุพะทธธรรมหรือพระสองค์อยู่ในโลกนี้อย่างพวกเรานี่เราเกิดมาช้าไปหน่อยไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้าเอง พระพุทธเจ้าเน้นจากพวกเราไปประมาณสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วแต่เรายังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สองตัวแทนด้วยกันก็มอพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และมีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือพระคำที ที่บรรจุคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาพระธัมภีก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วนอกจากพระธรรมคำสอนที่มีบรชึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วเราก็ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่พระสุปฏิปันโนพระสุปฏิปันโนนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระอริยบุคคลนั่นเอง ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ย่อมได้เข้าถึงต่อสู่อริยมรรคอริยผลกันตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สี่ก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอนาหาทขั้นเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ ตอนที่ท่านัจะมาเป็นพระอริยบุคคลท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่พอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาผ่านองค์ใดองค์หนึ่งบางท่านก็โชคดีได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงบางท่านก็ได้พบกับพระอริยสองสาวกบางท่านก็ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เได้พบได้ศึกษาแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาเชื่อว่าท่านเหล่านี้คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วแล้วก็จะรู้วิธีที่จะสอนให้ผู้ที่ยังติดอยู่ในความทุกข์นี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ท่านนำมาเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. ท่านเหล่านี้เมื่อก่อนท่านก็เป็นกุศุชนแต่พอท่านได้ยินได้ฟังธทำท่านก็เกิดศรัทธาความเชื่อแล้วก็น้อมนํำมาไปปฏิบัติไปเจริญสติสมาธิปัญญาด้วยวิรยิยะความอุตสาหะความภาคเพียรด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติ แบบสุปฏิปันโนแบบเต็มร้อยก็ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นขั้นขั้นไปจากขั้นที่หนึ่งก็ไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่เพราะว่าเมื่อได้ขั้นที่หนึ่งแล้วมันก็จะพาไปสู่ขั้นที่สองเองโดยอัตโนมัติจากขั้นที่สองก็จะพาไปขั้นที่สามและขั้นที่สี่ต่อไปจะไม่มีติดอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่ง ตลอดไปบางครั้งอาจจะติดเพราะอาจจะมีอุปสรรคขวางขั้นเช่นตายไปก่อนได้ขั้นที่หนึ่งแล้วเกิดไปเกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนเป็นหัวใจวายอะไรอย่างนี้ก็สามารถปฏิบัติต่อได้ในพบต่อไปถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากก็<ม>สามารถที่จะปฏิบัติจนถึงขั้นที่สี่ได้ มันส่วนใหญ่ก็จะบรรลุทันทีทันใดในพบนี้ชาตินี้เลยพ อ, อได้ขั้นที่หนึ่งก็ต่อด้วยขั้นที่สองจากขั้นที่สองก็ต่อขั้นที่สามจากขั้นที่สามก็ต่อไปขั้นที่สี่ได้เลยส่วนใหญ่จะบรรลุในในพบเดียวชาติเดียวกันแต่ก็อาจจะมีบางท่านอาจจะมีอุปสรรคมีอุบัติเหตุมีอะไรที่จะมาทำให้ทำให้การปฏิบัติไม่ต่อเนื่องก็ได้ แต่ถ้าได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ถ้ายัางจะต้องปฏิบัติก็ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าได้ขั้นที่สองก็ชาติเดียวขั้นที่สามก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะเลยเกิดเป็นพรหมแล้วก็ไปปฏิบัติ บ, ตบรรลุในขั้นที่สี่ในสวรรค์ั้นพรหมต่อไปนี่คือพระอริยสงสารุกที่พวกเร า, ากราบไหว้บูชาและศรัทธา ที่เราจเจริญสังฆกุลอยู่เรื่อยๆว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าบุคคลที่เราควรเข้าหาบุคคลที่เราควรน้อมให้ความเคารพบุคคลที่เราควรจะศึกษาด้วย ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ยุคนี้เรายังโชคดียังมีพระอริยสงฆ์อยู่แต่ก็ต้องหากันเอาหากันเอาเองเพราะว่าพระอริยสงฆ์นี้มีไม่มากเหมือนกับวัวเรือควายนี่ตัวหนึ่งจะมีเขาแค่สองเขาแต่มีขนเยอะแยะไปหมดพระอริยะก็เหมือนกัน พระอริยะกับพระปุตชชนก็แบบนี้พระอริยก็เป็นเหมือนกับวัวขนไอเขาวัวส่วนพระปุตชชนนี้ก็จะเป็นเหมือนขนวัวเพรงั้นการที่เราจะเข้าหาพระอริยะก็เราจะต้องมีการศึกษามีการค้นคว้าดูว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรวิธีปฏิบัติของท่านมีอะไร เราก็สามารถค้นคว้าศึกษาประวัติของพระอริยะที่ผ่านมาได้เป็นปฏิบัติเช่นสมมุตินายกนี้สมัยนี้เราก็มีพระอริยะพระอรหนันคือหลวงปู่มั่นอันก็เป็นพระอาหารหันแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆ่งหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันท่านพ่อลีหลวงตามหาบวัวอนกวายนี้ท่านปฏิบัติอย่างไงเราก็ไปดู ปฏิปทาดูชีวประวัติของท่านแล้วพอรู้ว่าพระอริยะเป็นแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เราก็ไปตรวจดูพระที่ยังมีอยู่ในในโลกนี้ในขณะ น, นี้ว่ามีพระที่ปฏิบัติแบบนี้อยู่บ้างหรือไม่จังสอนแบบนี้มีบ้างหรือไม่นี่วิธีการค้นหาพระอริยะในยุค ป, ปัจจุบันนี้เรายังสามารถค้นหาได้ ด้วยการไปศึกษาประวัติของพระอริยบุคคลในอดีตเพราะว่าพระอริยไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในปัจจุบนันนี้ปฏิปทาการปฏิบัติของท่านนี้เหมือนกันไม่ต่างกันเพราะว่าคําสอนที่จะพาให้ท่านได้บรรลุมรรคผลมิพานนี้เป็นคําสอนอันเดียวกันวิธีการปฏิบัติก็ปฏิบัติอันเดียวกันแ่นพระเหล่านี้ท่านจะปฏิบัติ การทุดงขวัตเป็นต้นท่านจะมีการถือทุดงขวัตมีการอยู่ในป่าในเขาเป็นหลักจะไม่อยู่ตามบ้านตามเมืองจะไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วมีกิจวัตรที่จะคอยกําจัดความโลภความอยากต่างๆในเรื่องของปัจจัยสี่เช่งการบินธบาสไม่ไม่แสวงหาอาหารตามความอยาก ไปบินรบาดแล้วก็รับอาหารตามมีตามเกิดมารับประทานไม่ใช่คอยสั่งญาติโยมให้จัดหาอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้มาที่นี่วิธีเลือกพระดูพระว่าเป็นพระอะรอยิยะหรือไม่ก็ดูข้อหนึ่งดูว่าท่านบินทบานเลี้ยงชีพหรือว่าท่านคอยสั่งให้ญาติโยมคอยจัดอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มาถวายอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันนะ ของพระอริยะกับพระปุถุชนพระอริยะนี่มกักจะปฏิบัติทุดงเขวัดกันหรือการบินสบายประจำถ้าวันไหนไม่สบายหรือไม่ฉันท่านก็จะไม่บินทบายแต่นอกนั้นแล้วท่านจะไปบินทบายแล้วท่านก็จะไม่ฉันมากฉันเพียงครั้งเดียววันละครั้งก็พอแล้วก็ฉันแบบเรียบง่ายก็คือ ฉันในบาศทอาอาหารที่ได้มาใส่ไปในบาททั้งคาวทั้งหวานไม่กังวลกับเรื่องว่ารสชาติของอาหารจะปนกันรสหวานจะปนกับรสเค็มหรือไม่นี้ไม่ถือว่าสำคัญเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าอาหารทั้งหมดนี้มันก็ต้องเข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดีมันจะไปแยกกันตรงปากนี้แต่ในที่สุดมันก็ต้องเข้าไปรวมกันในท้อง เช่นถ้าเป็นปูตุชนนี้ต้องแยกอาหารกันต้องกินอาหารคาวหวานก่อนแล้วถึงค่อยกินอาหารคาวก่อนแล้วค่อยกินของหวานแล้วกินขนมกินอะไรต้องแยกเป็นเป็นเรื่องๆไปแต่ไม่เคยคิดว่ามันก็ไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีแล้วก็วุ่นวายกับการกินต้องคอยจัดให้มันดูสวยงามทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยคิดเลยว่า มันเข้าไปในปากแล้วมันสวยงามไหมมันน่าดูไหมพอมันเข้าไปในปากเชี้ยวกับน้าลายแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากินหรือไม่ถ้าอยากจะรู้ก็ลองคอายออกมาดูหน้าตามันดูแล้วคิดว่าอยากจะกินหรือไม่อันนี้ถ้ากินด้วยความอยากมันก็จะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้ากินเพื่อดับความอยากก็กินตามมีตามเกิดแต่อาหารใส่บาตไป จะคนกันบ้างจะคุกกันบ้างหรือจะปนกันบ้างก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้กินด้วยความอยากกินเพื่อเป็นยารักษาความหิวดับความหิวเท่านั้นนี่คือการฉันของพระอริยบุคคลฉันในบาฉันเื่อนเดียวเป็นต้นและการอยู่ก็จะอยู่ตามที่ที่มีต้นไม้อยู่ในปา่าอยู่ในเขาเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดที่เวที่เอื้อต่อการปฏิบัต กำจัดความโลภความอยากเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือเรื่องศรัทธาในพระพระพุทธเจ้านี้เราไม่สามารถที่จะพบท่านได้แล้วก็มีพระอริยบุคคล น, นี้เท่านั้นที่เรายัางสามารถเข้าหาได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีของพระอริยบุคคล เราก็จะไม่รู้จากเลือกว่าพระรูปไหนเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ดูการกินการอยู่ของท่านว่าท่านกินอยู่แบบไหนกินอยู่แบบพระอริยกินอยู่กันหรือไม่คือท่านกินแบบมากน้อยสันโดษเรียบง่ายหรือไม่หรือกินแบบกินแบบราชาพระเจ้าแผ่นดินกินแบบสำรับ มีแยกแยะเป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถวัดได้ในเบื้องต้นภายนอกก่อนก็ดูการกินการอยู่ของท่านนี่แหละ ว, ว่าท่านกินอยู่แบบไหนกินอยู่แบบเรียบง่ายหรือกินอยู่แบบหรูหราบางคนพอมียศมีตำแหน่งแล้วต้องกินต้องกินแบบหรูหราต้องกินแบบใา้สมฐานะกับยศของตน อันนี้ไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาดูพระอริยบุคคล น, นี้ท่านไม่ได้กินอยู่แบบนั้นท่านกินอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสมถะอันนี้เบื้องต้นก่อนถ้าเราไม่รู้จะดูพระอริยบุคคลตรงไหนก็ดูตรงนี้ก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระทุกรูปที่ปฏิบัติทุดงคะวะ น, นี้จะเป็นพระอริยบุคคลไปหมด พรบางท่านยังเพิ่งเริ่มปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาและปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่เราก็สามารถที่จะดูส่วนอื่นได้ส่วนอื่นก็คือดูคําสั่งคําสอนของท่านก็ได้<ม>พอเห็นว่าท่านมีกิริยาการที่สงบที่เรียบร้อยตามหลักของพระอริยบุคคลแล้วเราก็มาดูคําสั่งคําสอนของท่านว่าท่านสอนอะไรบ้าง ท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหรือไม่ท่านสอนให้เจริญศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมหรือไม่เช่นสอนให้ไปปีกไมเวกสอนให้เดินให้มีสติจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ให้มีการนั่งสมาธิเพื่อทาใจให้นิ่งสงบให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบเพื่อที่จะได้ใช้ความสุขนี้มาปล่อยวางความสุขทางโลกได้ท่านสอนให้เราพิจารณาปัญญาพิจารณาตรายักษ์กันหรือเปล่าพิจารณาอาสุภะหรือไม่พิจารณาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่นี่แหละคือธรรมะของพระอริยบุคคลอ แต่ถ้าไปศึกษากับท่านแล้วท่านสอนให้เราไปเหาะเหินเดินอากาศไปเสกไปเป่าให้ได้ล่ําให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคําสอนของพระอริยบุคคลพอพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลเห็นว่ารากยศ ส, ศสารสนุกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเครื่องดับทุกข์เป็นเครื่องสร้างความทุกข์ ผู้ใดไปหาลาบยศสารเสริญสุขแล้วจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตายลักมันเป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าและพระอริยบุคคล น, นั้นสอนม่ สอนให้ให้ละไม่ให้ไปหาไม่ให้ไปหามาให้ละมันอย่าไปอยากมันเพราะความอยากในสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ทุกข์ต่อไปนี่คือวิธีการที่เราจะสร้างศรัท ธ, ธาขึ้นมาในในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในใจของเราเราจำเป็นจะที่จะต้องสร้างด้วยการศึกษา ปฏิปทาวิถีชีวิตของพระอริยะของพระพุทธเจ้าว่าท่านอยู่กันอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรถึงเป็นสุ ป, ปฏิปันโนเป็นถึงถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <Yeah. S 1> นี่เป็นวิธีที่เราจะได้เลือกเฟ้นหาครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเราถ้าเราไปเลือกผิดไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นพระอริยยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็จะพาเราหลงทางได้น เราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่ที่ผ่านมาอย่างยาวนานได้เราก็ยังคงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วถ้าเกิดเราตายไปขราวหน้าเรากลับมาเราก็อาจจะไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกแล้วก็ได้แล้วโอกาสต่อไปกว่าที่เราจะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งก็ ต้องเป็นเวลาเป็นหลายกับด้วยกันพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่อีกหลายกับนะงจะมาแล้วช่วงหลายกับนีเราก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายกันมาร้องห่มร้องไห้กันทุกครั้งที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดงนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำกันถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็คือต้องสร้างความศรัทธาให้ ให้ให้ให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วต้องเป็นศิษรัท ธ, ธ, ธาที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่เป็นศรัท ธ, ธาแบบงมงายศรัท ธ, ธาแบบงมงายก็เชื่อแบบที่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไปแล้วทำไปเพื่ออะไรส่วนใหญ่มักจะเป็นศรัท ธ, ธาแบบงมงายกันกราบพระจุดทูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอขอพระขอพรจากพระให้สำเร็จอยากได้อะไรก็ขอให้ได้สำเร็จ อยากได้เงินก็ขอให้ได้เงินอยากได้ตำแหน่งก็ขอให้ได้ตำแหน่งตอนนี้พวกที่วิ่งเต้นกันเนี่ยพวกที่ไปหาเสียงกันเนี่ยต้องเข้าวัดกันทุกคนรับประกันนะไม่มีใครไม่เข้าวัดอนอกจากถ้าเขาไม่นับถือศาสนาพุทธท่นั้นไปแล้วก็ไปจุดธูปเทียนแล้วก็ขอพอรกันขอให้ลูกช้างได้ถูกเลือกเข้าไปเป็นสสกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาแบบงมงาย พระพุทธเจ้าไม่ได้มีหน้าที่มาคอยให้พรแบบนี้พระพุทธเจ้ามีหน้าที่ให้คำสอนเพื่อที่ให้เราจะได้ไปดับความทุกข์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่เป็นศรัทธาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำบุญก็อยากจะรวยหรือทำบุญทำทุญแล้วก็ขอให้ไปนิพพานทาบุญแล้วให้ไปนิพพานมันก็ไปไม่ได้ พราะการไปนิพพานนี้มันไม่ใช่อยู่ที่การทำบุญอย่างเดียวนอกจากการทำบุญทําทานแล้วก็ยังต้องมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติมีการเจริญสมถะภาวนาคือสมาธิและสติแล้วก็มีการเจริญวิปัสสนาคือปัญญาถึงจะสามารถไปนิพพานได้ไม่ใช่สายบาตรแล้วก็ขอขอพรขอให้ทานนี้เป็นอนิสงส์พาไปสู่พระ น, นิพพาน มันก็พาไปไม่ได้ น, นี่คือสิ่งที่ยังเชื่อแบบงมงายคือเชื่อแบบไม่ครบกระบวนการนั่นเองต้องต้องศึกษาให้ครบกระบวนการว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องการหรือไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราต้องการราบยศเสริญต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยากได้กัน เพราะจะเป็นสิ่งที่จะมาทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความสุขใจต้องศึกษาถึงจะเข้าใจถึงจะไม่งมงายต้องมีศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันให้พวกเราทํากันให้พวกเราสร้างกันให้พวกเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา เพื่อเราจะได้ใช้สติสมาธิปัญญานี้สร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาสร้างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นการกำจัดความทุกข์แบบถาวรแบบสิ้นเชิงเพราะว่าเมื่อได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไปทุกย่อมไม่เกิดกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ย่อมมีความทุกข์อยู่ เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับการพรัดภากจากกันอย่างแน่นอนไม่มีใครหนีพ้นได้ถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องอยากเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติแล้วนำเอามาสั่งสอนปฏิบัติตามพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ แล้วก็นําเอามาสั่งสอนก็มาสอนให้พวกเราเนี้สร้างศรัทธาในเบื้องต้นให้เรามีศรัทธาใน พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางที่ถูกก็คือในทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่มีศรัทธาใน พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เราเจริญในลาบยศเสรเสริญสุขอันนี้เป็นศรัทธาที่ผิดเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์รูปใด ให้การสนับสนุนในการแสวงหาราบยศสัลเสิญสุขกันมีแต่คอยสอนให้เราละให้เราหยุดกันให้เรามาหาความสุขที่เกิดจากการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปใหเรามาเจริญทางด้านจิตใจกันใหเรามาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอราหันกันไม่ใช่มาให้เรามา เป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่ขนาดไหนมันก็มีวันสิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงแล้วความสุขที่ได้จากการเป็นใหญ่เป็นโตก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียก็ตามมาอันนี้คือเรื่องของศรัทธาในเบื้องต้นมีการเกิะดับศรัทธาก็ต้องรู้ว่ารูปไหนเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะ ในภายนอกก็ดูกิริยาการดูการกินการอยู่ของท่านว่าท่านกินอยู่แบบไหนท่านอยู่ในบ้านในเมืองหรือท่านอยู่ในป่านในเขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดเครื่องหนึ่งนะท่านบินธบาตหรือไม่บินธบาตนีท่านฉันมือเดียวหรือไม่ฉันมือเดียวฉันในบาทหรือไม่ฉันในบาทเป็นต้นนี่คือการเลือกพระอริยบุคคลแล้วก็ดูว่าท่าน สอนเรื่องอะไรบ้างท่านสอนเรื่องภาวนาหรือเปล่าหรือท่านไม่ได้สอนท่านสอนให้เราไปเที่ยวกันพาเราไปเที่ยวอินโดอินเดียกันอันนี้ก็ไปนอกลู่นอกทางนะถึงแม้การไปเยี่ยมสังเวชนิสถานนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าไม่มีโอกาสได้ไปก็ไม่ไปก็ได้ เพาะการจะเกิดศรัทธาที่หนักแน่นกว่าที่ที่ถาวรกว่านี้ต้องเกิดจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนแต่ถ้าจะไปก็ไม่ห้ามไปก็ไปได้แต่คนเราไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินทองไปกันได้เมื่อไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดว่าจะไม่มีศรัทธาจะศรัทธาจะไม่เกิดศรัทธาเกิดจากการศึกษา จากพระ อ, อริยบุคคลจากคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้านํามามาปฏิบัติแล้วได้เกิดผลขึ้นมาเมื่อไหร่ไอตัวนั้นะจะสร้างตัวศรัทธาให้มากยิ่งกว่าศรัทธาที่จะเกิดจากการที่เราไปกราบไหว้สังเวชั้นยศาสสถานต่างๆสู้ศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกับการที่จะต้องไป ก่าบว่าตามสังเวชนิยสถานต่างๆนั้นถ้าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ไม่เป็นเงื่อนไขพระพระสุปฏิปโนคูบาจานอดิตนี้ไม่มีใครไปสักองค์หลวงปู่มั่นก็ไม่มีประวัติถ้าท่านไปสังเวมา ล, ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ไม่มีองค์ใดไปกันถ้ามีศรัทธาจากเกิดจากการได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้ศึกษากับพระอริยบุคคล ถ้าท่านก็ได้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆได้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติในวิธีที่เราจะทำให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็อยู่ที่การศึกษา ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจา้าศึกษาคำสอนของพระอริยบุคคลถ้าไม่สามารถหาบุคคลที่มีชีวิตอยู่ได้ก็ศึกษาจากของที่มีบันทึกเอาไว้ก็ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกศึกษาพระธรรมคำสอนจากพระครูบาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วแต่มีหนังสือที่มีการเก็บบันทึกเอาไว้พิมพ์แจกกันก็เป็นธรรมะที่เราสามารถที่จะใช้ เป็นอาจารย์เป็นครูสอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่ถ้ามีโอกาสได้เจอกับภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดไม่เข้าใจตรงไหนธรรมะส่วนไหนก็สามารถสอบถามได้เพื่อทำให้เกิดความเห็นที่กระจ่างขึ้นจะได้ไม่ปฏิบัติแบบหลงทางไม่ปฏิบัติแบบผิดผถูกๆู แต่ถ้าไม่มีคนคอยมาให้ตอบคำถามนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกไปก็จะเสียเวลามากกว่าแต่ถ้ามีผู้ที่รู้ทางอยู่แล้วมาคอยบอกทางว่าเมื่อมาถึงทางแยกนี้แล้วควรจะไปทางซ้ายทางขวาหรือตรงไปอย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็ต้องลองซ้ายลองขวาลองตรงไปก่อนก็อาจจะต้องเสียเวลามากกว่าการที่มีผู้ที่คอยบอกทางอยู่เรื่อยๆนั่นเอง นี้คือประโยชน์ถ้าเราได้เจอกับพระอริยบุคคลที่มีชีวิตอยู่มันจะช่วยใหการปฏิบัติของเรานี้ปฏิบัติไปได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยคำสอนของพระอริยบุคคลของพระพุทธเจ้าในอดีตที่มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือต่างๆเอามาศึกษามาอา่านแล้วก็เอามาพยายามทดลองตามทตามคาสอนดู ลองผิดลองถูกดูเพราะว่าบางทีความเข้าใจของเรายังไม่ถูกต้องตัดกับคําสอนก็ทําแล้วอาจจะไม่ได้ผลก็มีก็อาจจะต้องปรับใหม่ทํำแล้วนี้ไม่ได้ผลอาจจะต้องทําอย่างนี้อะไรเป็นต้นก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ยังมีมีโอกาสที่จะสามารถฝุดพ้นได้อันนี้คือเรื่องสําคัญในสําหรับชาวพุทธเหล่านี้ เราต้องสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้ได้ศรัทธาที่จะนำพาให้เราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องมีศรัทธาคือต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนอะไรท่านต้องการให้เราปฏิบัติอะไรเพื่อผลอะไรที่จะเกิดขึ้นอันนี้เราต้องรู้กันก่อนเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผลก็คือการกําจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นความอยากก็จะลดน้อยลงทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้สติหยุดมันใช้สมาธิหยุดมันแล้วก็ใช้ปัญญาหยุดมันแล้วแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้ไปก่อน เบื้องต้นเราก็ฝึกสติไปก่อนขอหยุดความคิดเพราะความอยากมันมากับความคิดถ้าไม่คิดความอยากก็ไม่เกิดถ้าไม่คิดถึงขนมความอยากกินขนมมันก็ไม่เกิดถ้าไม่คิดถึงหนังภาพยนตร์ละครความอยากดูหนังดูภาพยนตร์ดูละครมันก็ไม่เกิดง <c oughs> นั้นถ้าเกิดความอยากขึ้นมาในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเราก็เอาสตินี่แหละ ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องที่เราอยากพอเราหยุดคิดได้ปั๊บความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราวแต่มันจะไม่หายไปตลอดเดี๋ยวมันก็พอเราพอเราหยุดพุทโธเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดใหม่ก็ได้พอคิดใหม่แล้วก็ต้องพุทโธใหม่นอันนี้เป็นการหยุดความอยากในเบื้องต้นหยุดได้ชั่วคราวไปก่อน ถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องพยายามไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาแต่ก่อนจะได้ขั้นปัญญานี้ต้องให้ได้สมาธิก่อนต้องทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนให้ใจวางเฉยให้ได้ก่อนอยู่เฉยเฉยให้ได้ก่อนมีความสุขกับการอยู่เฉยเฉยแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปดูนั่นูนี่ก็ถ้าใจมีความสุขอยู่เฉยเฉยได้ก็ ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าปัญญาบอกว่าไปแล้วจะเป็นทุกข์ได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวพอมันมันพอมันหมดไปหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ต่อไปอนนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาสร้างกันให้ได้คือสร้างศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้มีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นจนมีเต็มร้อย <Yeah. S 1> ถ้ามีเต็มร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเ <Yeah. S 1> มื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว <Yeah. S 1> การกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจ <Yeah. S 1> ต่อไปเมื่อใจหมดทุกข์ ภารกิจของการปฏิบัติก็สิ้นสุดลงนนี่คือสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมาปฏิบัติกันเพื่อมายุติความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆให้มันหมดไปสิ้นไปจากใจพอหมดแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปเหมือนกับคนไข้ที่หลังจากหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ต้องกินยาอีกต่อไป ธรรมะการศึกษาการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคใจคือความทุกข์ใจนี่พ อ, อ, อความทุกข์ใจได้รับการกำจัดหมดไปแล้วการศึกษาการปฏิบัติธรรมะก็สิ้นสุดลง<ม>ก็อยู่ไปอย่างสุขอย่างสบายอยู่เป็นเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีวันเจ็บไข้ต่อไปใจผู้ที่กำจัดความทุกข์ได้หมดไปจากใจแล้วจะไม่มีความทุกข์ติต่อไป จะอยู่กับความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดลงและจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการที่เรามาคอยมาเติมพลังให้แก่จิตใจมาเติมศรัทธามาเติมวิริยะเติมสติเติมสมาธิและเติมปัญญากันก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์คือการลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปิริปุเรนติสาขลังเอวามวาอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวาสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราสสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุธาปะจายโน จาตารุธามาวันติอายุวันรสุขังพารัช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกตอบไม่ไม่คุยด้วยนะมีช่วงนี้ ใครอยากจะถามอะไรก็จะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ติดถามเองก็ได้มีมือถือส่งเข้ามาทาง Facebook ทาง Youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ พระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุตจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ417ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 232ยูทูบดรวี99วิทยุออนไลน์9คลับพาวเอส9นาคูต174รวมทั้งหมด940ท่านค่ ะ, ะใครมีคำถามเชิญถามได้เลย ดูใจใกยายหน่ยได้ยินเสียงดังๆเหงเลยค่ะถ้าถ้าเราตามดูจิตที่ส่งออกนอกกายเราเป็นประจำอะค่ะแล้วจิตเราจะวัยขึ้นจากการที่มีมีสติรู้ตัวใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกมันถ้าตามมันมันจะไม่มีสติถ้าเกิดเราตามไปดูว่าก็หุดจิตเราส่งต้องหยุดมันถึงจะมีสติค่ะต้องหยุดมันถึงจะมีสติถ้าตามมัน ม, มันไม่มีสติมืนถึงตามมัน อย่างถ้าเกิดว่าเราขับรถอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ว่ามือเราจับให้มันอยู่ที่รถอยู่ที่การขับรถอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่เรื่องอื่นอยู่ที่เรื่องเดียวต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวถึงจะมีสติถ้าอยู่เรื่องนี้แล้วไปเรื่องนั้นแล้วกลับมาเรื่องนี้แสดงว่าไม่มีสติต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียว ถ้าอยู่ดูจิตแล้วมันอยู่หลายเรื่องจิตไปคิดเรื่องนู้นไปคิดเรื่องนี้ต่อมันก็ไม่มีวันมันไม่มีวันอยู่เราต้องการจะหยุดจิตชวงที่หยุดจิตอย่าไปดูจิตดูอย่างอื่นแทนดูงมดูพุทโธเนี่ยถึงจะหยุดจิตได้ถ้าไม่หยุดจิตก็ดูจิตก็หยุดมันไม่ได้มันอยากจะโลภมันอยากจะทําอะไรมันก็ทําไปแล้วก็ดูมันอยนี้เราก็ไม่หยุดมันหยุดมันไม่ได้อย่าดูจิตตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาดูจิต ต้องดูสติดูดูด่างกายดูพุโทโธเพื่อจะหยุดจิตเมื่อหยุดจิตแล้วตอไปค่อยดูจิตได้เวลาจิตมันทำอะไรก็หยุดมันได้ถ้ายังทถ้ายังอยู่จิตไม่ได้อย่ายไปดูจิต้าใจอ่ะโอเคคำถามถัดไปจากหน้ากูดค่ะจากคุณแสงเทียนค่ะก็ขอ อ, อ่านคำถามให้กระชับขึ้นนะคะ น้องเขาถามว่าเขาจะได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกันยายนนี้ซึ่งตอนนี้เขาอยู่หอพักเขาจะกลับบ้านไปอยู่กับแม่ได้ประมาณเจดเดือนนะคะเขาก็ถามเขาถามว่าการบรรลุเขาจะชวนคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติธรรมค่านะคำถามแล้วคือการบรรลุธรรมชั้นพระโสดาบันใช้เวลาเจ็เดือนแต่การบรรลุพระสกิทาคามีอาจใช้เวลาเจวันก็ได้ใช่ไหมคะเออทั้งทุกขั้นเนี่ยมัน บา <c oughs> งทีเจ็ดวันก็บรรลุทั้งสี่ขั้นเลยก็ได้มันอยู่ที่ความสามารถของผู้ศึกษาเหมือนสมัยนี้เด็กบางคนเรียนมาหลาลัยสองปีจบก็มีสี่ปีจบก็มีหกปีจบก็มีแต่เราคนอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนนั้น <c oughs> เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปกังวลเรากังวลว่าเราเราจะปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไป แล้วมันจะบรรลุเมื่อไหร่ก็มันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามความเป็นจริงคำถามที่สองน้องก็ถามว่าเขารักแมวอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่หอกับเขาตอนนี้แต่เจ้าของแมวเนี่ยไม่อนุญาตให้เขาเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเขาก็เลยต้อง ได้โอกาสกลับบ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือนรวมเป็นเจ็เดือน พ, ดพอดีเขาถามว่าอันนี้ส่งอันนี้ทําให้ถ้าเขาถ้าเขาทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยแมวจะได้บุญแล้วไปเกิดเป็นคนในชาติน้าไหมคะไม่หรอกเรื่องของแมวเขาต้องทําของเขาเองกรรมของแมวแมวก็ต้องรับใช้กรรมหมดกรรมแมวก็ไปเกิดเองเราไปแก้กรรมของแมวไม่ได้แม้แต่กรรมเราเองเลยยังแก้ไม่ได้ เพียงแต่ว่าเมื่อเรามีกรรมต้องใช้ก็ใช้ไปแล้วก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่ คำถามถัดไปจากหน้ากุดค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลับนมัสการพระอาจารย์ขอช่วยอธิบายเถระพระเถร ะ, เะใบดานเปล่าค่ะทําไมแค่สํารวมอายตนะหกโดยปิดทุกทวารเหลือแต่ใจแล้วท่านพระโพธิกะเถระจึงบรรลุพระอาหารหันได้เร็วมากจุดนี้คือหัวใจหรือคีย์สักเซสของการปฏิบัติธรรมอย่างไรเจ้าคะคือการสํารวม ตาหูจมูกลิ้นกายก็เพื่อที่ไม่ให้กิเลสมันออกไปนั่นเอง<ม>กิเลสมันชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็เลยต้องปิดทวารมาให้่หนออค้างมันไว้ในใจแล้วเราจะได้เอาสติปัญญามากําจัดมันได้ถ้ามันออกไปข้างนอกวิ่งตามตามันตามไม่ทันมันไปนู่นแล้วไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันไปร้านอาหารแล้วพ อ, อไปถึงนั้นก็เราก็ไม่มีกําลังดึงมันกลับมา แล้ต้องกันไว้เขียวเหมือนลูกๆอ่ะเราอย่าปล่อยให้เด็กออกนอกบ้านนะถ้าเด็กออกนอกบ้านแล้วเดี๋ยวไปตามหาลําบากอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ขังมันไว้ในบ้านแล้วก็ตีมันเวลาที่มันดื้อต่อไปมันก็จะเชื่องกิเลสก็เหมือนกันเราต้องปิดทวารทั้งห้าตาหูจมูกเส้นกายไม่ให้มันออกไปไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ให้มันอยู่ข้างในแล้วเราก็ใช้สติใช้ปัญญาข้ามได้ความหมาย <c oughs> คำถามจากทางเฟ e b o ๊ k คุณจรัญญากราดนมั ส, สการพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตฝากคำถามคาถามได้ความคิดเกิดมาจากความอยากใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วความอยากความให้เกิดความคิดความคิดทำให้เกิดความอยากถ้าไม่คิดมันก็ไม่อยากพอคิดถึงขนมนก็อยากกินใช่ถ้าไม่คิดถึงขนมมันก็ไม่อยากค่ะ คำถามที่สองเราจําเป็นต้องพิจารณาความตายตลอดเวลาไหมคะมันจะเหมือนคนหมดอะไรตายอยากเลยคะ่ะทิ้งทุกๆอย่างคือความพิจารณาความตายมันต้องอยู่ที่กําลังของของจิตแล้วว่าพิจารณาได้หรื อ, อยังถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกมีอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีก็ยังไม่ถึงเวลาจิตยังไม่สงบพอที่จะรับความจริงได้กิเลสต่อต้านมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีอารมณ์โหดถูกขึ้นมา งั้นเราต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้จิตสงบก่อนพอจิตสงบแล้วที่นี้ก็มาพิจารณาความตายได้ใจก็จะไม่รู้สึกโกรธโใจก็จะยอมรับความตายได้คำถามจากทางยู u b e ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับพอเริ่มฝึกภาวนากลับเริ่มมีความคิดผุดขึ้นมาคือลบหลู่ดูหมิ่นหรือด่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจเกือบจะทุกวันทั้งที่ก่อนภาวนาไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลย ผมควรจะทําอย่างไรดีครับก็ห้ามใจสอนใจเสียว่าเรากําลังไปว่าครูบาอาจารย์ของเราไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาสอนเราเราก็จะไม่มีวันที่จะปฏิบัติหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดปรามากขึ้นมาเราก็สอนแล้วก็หยุดใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดไปอย่าปล่อยให้คิดไปในทางนั้นต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองคําถามถัดไปจากคุณกบค่ะ กราบพระอาจารย์ครับกระผมใช้คา บ, บริกรรมภาวนาพุโทโธในการเจริญสติประจำวันบางทีผมก็เอาพุโทโธมาไว้ที่หน้าอกหรือปลายจมูกบางทีก็หน้าผากไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับจิตเสื่อมพุโทโธก็เอาไม่อยู่ครับถึงขั้นปรามาพรัตนาตายเลยครับทรมานมากผมมีปัญหาเรื่องสติเสื่อมมากกบริกรรมพุโทโธไม่เป็นไม่ต้องไปไว้ที่ไหนให้พุโทโธอยู่ในใจ อยู่ที่คําบริกรรมนั้นแนหะไม่ต้องไปไว้ที่จมูกไม่ต้องไปไว้ที่หน้าผากไว้ที่ไหนให้อยู่ไว้ในในใจที่เรากําลังบริกรรมอยู่นั่นแนหะให้อยู่กับคําบริกรรมไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณอ้อมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยมใช้วิหรารธรรมคือการดูกายเจริญสติดูกายและดูใจเนึองเนืองและสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนแล้วปรากฏว่า วันช่วงนี้นอนวันละสองถึงสามชั่วโมงแล้วจะตื่นขึ้นมาเองกลางดึกเป็นระยะติดต่อกันหนึ่งเดือนเป็นแบบนี้อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันคุูตัวคนเองไม่รู้แล้วเราจะไม่รู้ได้ไง <c oughs> คำถามจากคุณกุ๊กไก่คะ่ะคำถามแรกอยากถามว่า คุณธรรมของพระโสดาบันมีอะไรบ้างจะได้เป็นเครื่องตรวจสอบตนเองและพระโสดาบันจะรงชีพในการเป็นฆราวาสได้หรือไม่ครับพระโสดาบันไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไม่กลัวการพลาดพาดสูญเสียจากสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไปเวลาเสียอะไรก็ไม่เศร้าใจไม่เสียใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ไม่กลัวเวลาจะตายก็ไม่กลัว ค่ะผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกลับสอบถามเจ้าค่ะว่าระหว่างสวดมนต์กับการนั่งสมาธิทางไหนจเจริญสติมากกว่ากันเจ้าคะต้องสวดก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้เพราะการนั่งสมาธิต้องใช้สติมากถึงจะนั่งได้ถ้าสติยังมไม่ไม่มากนั่งแล้วมันจะไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้อยู่กับการนั่งได้มันก็อยากจะขยับอยากจะไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมา ก็ต้องใช้การสวดมนต์ระงับมันก่อนทำใจให้มันสงบในระดับหนึ่งก่อนให้มีสติมากขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อไปออกระผมขอกลับ นมัส ก, การถามครับว่าก็ผมเวลาผมปฏิบัตินะครับก็ผมมีความตั้งใจที่จะรู้จะดูจะปฏิบัติดูกายดูใจเงี้ยครับผมกับผมช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าจะมีตัวผมที่พยายามจะตั้งใจดูตั้งใจรู้อยู่เงี้ยครับแต่เราปฏิบัติเพื่อการวางตัวเราวางใจเราถ้าเรายังตั้งใจอยู่แล้วใจเราจะวางได้ยังไงเงี้ยครับอ๋อไม่ต้องไปดูใจไงให้ดูร่างกายอย่างเดียวเลวลาเราปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องการผูกใจไว้กับร่างกาย ไม่ให้ใจไปนู่นมานี่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้งั้นเบื้องต้นไม่ต้องไปดูใจดูแต่ร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังกินกําลังดืม่มกําลังทําอะไรให้เฝ้าดูอยู่ที่ร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นอันนั้นถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้พอใจสงบร่างกายหายไปที่นี้ก็เหลือใจตัวเดียวให้เราเห็น ฉันต้องฝึกการดูกายไปก่อนดูกายแล้วใช้พุโทโธแทนก็นได้แต่อย่าดูใจเอาดูอย่างเดียวอย่าไปดูไปดูทั้งสองอย่างมันจะวุ่นวายนะเอาดูร่างกายอย่างเดียวเพื่อหยุดใจเพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ใจไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆแล้วพอนั่งสมาธิใจก็จะนิ่งพอใจนิ่งร่างกายก็จะหายไปเหลือแต่ใจแล้วก็จะมีความสุข คำถามถัดไปจากคุณกระนกวันค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยฝึกสมาธิกําหนดพุทธโธและลมหายใจแต่เคยมีครูอาจารย์ให้หาฐานของจิตเพื่อจะได้เข้าถึงจิตได้เร็วขึ้นฐานของจิตคืออะไรและจะกําหนดถึงฐานของจิตได้อย่างไรคะก็เกิดการใช้พุทธโธนี่แหละพุทธโธไปดูลมไปเดี๋ยวจิตสงบก็ถึงฐานของจิตเองไปนั่งหาไม่ได้หรอกฐานของจิตมันต้องเกิดจากการที่เรามีสติ ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบใจก็จะถึงถาในของใจคำถามจบคุณ o อสแอ p ค่ะขอสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะสวรรค์และนรกมีจริงไหมคะหรือเป็นเพียงกุสโลบายเพื่อให้คนมีความอยากที่จะทำความดีและมีความเกรงกลัวต่อการทำไม่ดีหรอคะมีสวสรรค์แปลว่าความสุขใจนรก ค, คือความทุกข์ใจ วันไหนที่เราทุกข์เราเครียดนะครับตอนนั้นใจเราตกนรกแล้ววันไหนที่เรามีความอิ่มใจสุขใจวันนั้นใจเราขึ้นสวรรค์แล้วมันเป็นสภาวะของใจขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ใจทําใจทําบาปใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเป็นนรกขึ้นมาใจทําบุญใจก็จะเย็นจะสบายขึ้นมาเป็นสวรรค์ขึ้นมาคําถามจาก facebook ค, ค่ ะ, อะขออนุญาตกลับเรียนถามโช้ค่ะ ระหว่งางฌานกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรเจ้าคะฌานก็คือสมาธิสมาธินี้มีความสงบเป็นหลายขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่9ก้าแบ่งเป็นรูปฌานสี่รูปฌาน4ี่แล้วก็สัญญานิโรสมาบัติหนึ่งเป็น9เป็นความสงบระดับต่างๆกันเหมือนกับเกียร์รถยนต์เกียร์รถยนต์ก็มีหลายเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์าเกียร์สี่ ความสงบของรถยนต์มันก็จะเปลี่ยนไปจากเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองเครื่องยนต์ก็จะเบาลงเกียร์สามก็จะเบาลงใจก็เหมือนกันพอใจเข้าสมาธิเข้าฌานที่หนึ่งใจก็สงบลงเท่าที่สองมันก็สงบมากขึ้นนี่แปลว่าฌานคําว่าฌานนี้แปลว่าความสงบของใจแต่เรามักจะได้ยินคำที่เรียกว่ายานวิปัสสนาญาญานนี้แปลว่าความรู้ความการ การรู้หรือการเห็นเรียกว่ายานเห็นด้วยใจยานอย่างทราบอย่างทราบว่าตอนนี้ความทุกข์ในใจหายไปอย่างทราบว่าตอนนี้ใจฟุ้งซ่านนี่เรียกว่ายานหรือเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมต่างๆถ้ามียานเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์นี่เรียกว่ายานนี่เรียกว่าวิปัสสนา ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ไมีไม่มีอะไรที่เป็นสุขเป็นเป็นสุขปรอมสุขเดี๋ยวเดียวแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปคําถามจากคุณพันธิว่าค่ะพระสงฆ์ชาวตะวันตกที่เข้ามาบวชและมีสติปัญญาเข้าใจในพระไตรปิฎกอย่า ง, จงแจ่มแจ้งหลายรูปและสุดไปมีครอบครัวหลายรูปท่านขาดธรรมะในข้อใดจึงทําให้ท่านสึกครับก็ปฏิบัติไม่ถึงที่ยังควบคุมกิเลสไม่ได้ สู้กิเลสไม่ได้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกิเลสมันก็จะสู้ไม่ได้หมดแล้วเลยหมดแล้วค่ะโอเคหมดแล้วก็ขอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจารณาไปปฏิบัติ